อีกอันหนึ่งเนี่ยนะพูดถึงอธินนาทานต่อไปเลยนะอธินนาทานคืออะไรการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ชื่อว่าอธินนาทานหรือการลักของของผู้อื่นที่ชื่อว่าถยะหรือกิริยาของโจรคิดไม่ดีต่อของคนอื่นรู้อยู่นะว่าของคนอื่นแล้วคิดไม่ดีก็ก็หยิบฉวยเอาชื่อว่าอธินนาทานได้แก่ของที่เพื่ออื่นหวงแหนซึ่งเจ้าของ ปกติแล้วเจ้าของเขาเนี่ยเมื่อใช้เขาก็ใช้ได้ตามที่เขาต้องการเขาใช้โดยที่ไม่ได้รับทุกโทษอะไรจากของอันนั้นแล้วตัวเองก็ไปหยิบฉวยเอาสิ่งนั้น น, นี่เรียกว่าอาทินนาะทานเจตนาที่จะรับสำคัญรู้นะว่าของอันนั้นเนี่ยมีเจ้าของที่เขาหวงแหนสมุธฐานที่เกิดขึ้นด้วยความพยายามถือเอาสิ่งนั้นเรียกว่า อธินาทานก็คือเจตนาแห่งความคิดแห่งความเป็นขโมยทุจริตอธินาทานนั้นถ้ารักของของผู้อื่นรักของมีราคาน้อยบาปก็น้อยรักของมีราคามากก็บาปมากของรักของเลวๆก็บาปน้อยรักของประณีตของดีก็บาปมากสุดแท้แต่สิ่งของที่รักเนี่ยนะทีนี้ตัวของด้วยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองตัวเจ้าของว่าถ้าไปรักของคนมีคุณธรรม มีโทษมากถ้าลักของคนไม่มีคุณธรรมมีโทษน้อยลักของผู้มีศีลก็มีโทษมาก น, นะมีศีลเท่าไรเช่นลักของพระอารหันต์เนี่ยนะไปรักของพระอารหันต์ก็มีโทษมากคำว่ารักขโมยนี่รวมถึงทําลายด้วยนะไปทําลายไปจุดไฟเผาไปอะไรเป็นต้นการไปจุดไฟเผาไปอะไรทั้งหลายก็เรียกว่าทําลายเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอัิินาทานเนี่ยนะฟังดูผลอย่างเช่นว่า ผลของอัตินนาทานถ้ามันให้ผลเวลาเกิดชาติใดเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์เลยไม่มีทรัพย์หาอาหารบริโภคยากแม้กระทั่งไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงข้าวเปลือกนะแค่ข้าวจะทานมื้อต่อ ต, อตอไปไม่รู้จะไปทานอะไรมันเกิดมาอดอยากหิวโหยหาอะไรจะทานก็ยากพร้อมเนี่ยนะีคงเคยเห็นเยอะแล้วนะคนที่อดอยากหิวโหยแม้กระทั่งอาหารมื้อต่อไปจะทานอะไรตัวยังไม่รู้เลย แล้วก็โผค่าเนี่ยแหมไม่ต้องใช้เวลาครับอนะไม่ต้องเปลืองเวลาครับบางทีมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวชิ้นไหนก็ที่พันกาอยู่แค่นั้นแหละแล้วก็โผค่ามีอะไรก็ถูกขโมยหมดพอจะหาอะไรได้ก็ถูกปล้นถูกขโมยถูกโกงถูกเขายึดถูกเขาอะไรไปหมดไม่มีโอกาสมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองเลยนะหรือมีก็พร้อมที่จะหมดภายในทันทีมีก็เหมือนกับเฮ้ยหมดเหมือนหยาดน้ําค้างแบบนั้นนะ่ะนะอ่า สแสวงหาโภคะก็หายากหาเย็นแท้เนี่ยนะนะไม่รู้จะไปหาที่ไหนจึงจะมีโภคะใช้สอยกับเขาแบบสักทีหนึง่งมันใครที่รักขโมยเนี่ยก็เท่ากับสาบแช่งให้ตัวเองเกิดมาเป็นคนทุกข์เป็นคนยากไร้ญาติขาดทรัพย์ไม่มีโภคะมีทรัพย์มีอะไรก็ขอให้มันเสียหายไปหมดนะนะไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการปราถนาอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้หลังใจนึกเลยนะอยากได้อะไรก็ยากได้มีสิทธิ์อยากแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะงั้น แล้วก็ถ้ามีทรัพย์ทรัพย์ก็เป็นของสาธารณะแก่พระราชาเป็นต้นไม่รู้ถูกยึดวันไหนก็ไม่รู้ถูกยึดถูกโกงถูกปล้นถูกขโมยถูกไฟไหม้น้ําท่วมเพร้อมที่จะเสียหายด้วยสาเหตุสารพัดอย่างก็องบางคนออกรถมาวันเดียวแค่นั้นหายไปแล้วมีมีมีสิทธิ์เป็นเจ้าของรถแค่วันเดียวก็พร้อมที่จะเสียหายบางทีก็มีป้ายแดงๆก็มาก็เสียหายหมดแล้วอย่างเงี้ย ไปที่ไหนก็ไม่มีโอกาสเจริญงอกเงยอะไรเลยเนี่ยนะไม่มีโอกาสเจริญงอกเงยเป็นหัวหน้าเป็นอะไรไม่มีโอกาสกับเขาแล้วก็ไอ้คาว่ามีนี่ไม่รู้เป็นยังไงมีแต่คําว่าขาดสนขัดสนว่า ง, งั้นไม่ได้ยินไอ้คว่ามีมีนั่นไหมแบบไม่มีพูดถึงอะไรที่คิดว่าเป็นทรัพย์สินเป็นทรัพย์พวกทรัพย์ของข้าวข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยไม่มีแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยจมที่สุดในหมู่คนทั้งหลาย แล้วก็อยู่อย่างอัตาคัดขัดสนอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากอันนี้เป็นเศษเศษกรรมนะที่เกิดจากอธินาทานที่เกิดจากขโมยพันธ์ถ้าเราลักขโมยทีหนึ่งให้รู้เถต่ว่าเราสาบแช่งให้ตัวเองไปรับผลแบบนั้นพันั้นเขาเลยใช้คําว่าเวรทั้งหอันนั้นที่เราบอกขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากเวรทั้ง5อย่างการฆ่าสาบก็สาบแช่งให้ตัวเองอายุสั้นเป็นต้นแต่ถ้าการรักทรัพย์ก็สาบแช่งให้ตัวเองเนี่ย ยากจนไร้ทรัพย์มีก็ให้เสียหายไปอย่างรวดเร็วเป็นของสาธารณะไฟไหม้น้ำท่วมพร้อมที่จะเสียหายได้ทุกอย่างอยู่อย่างที่เรียกว่าขัดสนอัตคัดขาดแคลน น, นะพูดถึงน้ำก็ไม่มีน้ำจะดื่มพูดถึงอาหารก็ไม่มีอาหารจะรับประทานมันเกิดมาก็ยากจนเดือดร้อนซึ่งคนในทั้งหลายมีมากก็เพราะทําเหตุอย่างนั้นเอาไว้แล้วคนที่เดือดร้อนด้วยปัจจัยเหล่านี้เชื่อไหมพร้อมที่จะโกงแบบง่ายๆเหมือนกัน ชอบทํากรรมแบบนิสัยที่ตัวแอบผลที่ตัวเองรับมาก็เพราะว่าคดโกงทําทุจริตมาแล้วชอบนิสัยอันเดิมๆ ด, ด้วยชอบลักชอบขโมยชอบปล้นชอบโกงชอบยักชอบยอกอะไรเนี่ยนะเรียกว่ายักยอกในที่สุดตัวเองก็เดือดร้อนนี่ต่อไปเนี่ยนะท่านอธินาทานนั้นบางทีถ้ายิ่งไปอยู่กับผู้ที่มีคุณธรรมไปรักของผู้ที่มีคุณธรรมเข้าเนวเสียหายต่อไปบอกว่าอธินาทานนั้นมีองค์ห้าหนึ่งของที่คนอื่นหวงแหน สเรารู้นะว่าคนอื่นเขาหวงแหน3 ม, มีจิตคิดจะรัก4ี่พยายามรัก5้รักได้ด้วยความพยายามนั้นนะที่จริงเคลื่อนจากฐานนะัถ้าเป็นพระพิสูจน์บอกว่าเคลื่อนจากตําแหน่งที่วางไว้แค่ปลายเส้นผมนี่ก็ปราชิกแล้วสมมุติถ้าอย่างเรามาลักหนังสือเนี่ยนะยกหนังสือเคลื่อนปลายเส้นผมนี่ก็ปราชิกแล้วอย่างเช่นรักนาฬิกานี่หยิบขึ้นมาเนี่ยเอาไปได้ไม่ได้ไม่สําคัญสำคัญที่ว่ามันเคลื่อนจากฐานถือว่าเป็นปราชิกล้ไปรักไปขโมยเนี่ยนะเช่ น, นไปเห็นเงินเข้าเนี่ยนะ แล้วก็หยิบขึ้นมาเคลื่อนจากฐานเนี่ยปราชิดไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของมาทักแล้วเอาวางไว้ถือว่าขาดไปแล้วนะถือว่าศีล น, นี่เสียหายไปแล้วเนี่ยทั้นในทางพระนี่ถือว่าเคลื่อนจากฐานเป็นประมาณส่วนวิธีการรักอาจจะรักด้วยตัวเองใช้ให้คนอื่นลักรักด้วยการว่างปาหรือว่าเครื่องมือในการโกงถาวรหรือว่าโกงด้วยหลักวิชาอะไรเป็นต้นพวกนั้นก็เรียกว่าการขโมยเหมือนกัน หรือแค่เรียกว่าอาวหานอาวหานเนี่ยพูดถึงอาการแห่งการลักเนนะทยาวหานลักด้วยการขโมยวิธีการบางทีก็ขโมยเอาบางทีก็ปัสสยหาวหานก็คือการโชคขู่กันโชคกันนะปฏิจฉันนาวหานก็ปกปิดนะแอบปิดของที่เจ้าของไม่ให้เจ้าของเขาเห็นปริกับปาวหาน เ, เรียกว่าแบบกําหนดเวลาแล้วก็กุสาวหานก็สับเปลี่ยนสับเปลี่ยนสินค้าเป็นต้นสับเปลี่ยนฉลาดสับเปลี่ยนอะไรทั้งหลายแล พวนี้ก็เกี่ยวกับรายละเอียดของการลักการขโมยการโกงโวยโกลโกงเนี่ยเล่กระเล่กล ข, ของกลโกงเนี่ยมีมากเหลือเกินนันก็มีมากมายก็บอกว่าศีลทุกข้อวิจิตพิสดารที่สุดคืออธินาทานเรียนยากที่สุดรายละเอียดมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องการคดการโกงการขโมยนี่แหละยิ่งใหญ่มากมนั้นอธินาทานนั้นก็มีโทษ ด, ดังที่กล่าวไปใครที่วางแผนคดวางแผนโกงได้เท่าไหร่ก็วางแผนให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคต เท่านั้นมันมีทุกข์มีโทษส่วนการเมสุมิฉาจาร์ก็คือความประพฤติไม่ดีความประพฤติที่เป็นบาปที่บัณฑิตตําหนิโดยส่วนเดียวลักษณะของการเมสุมิจฉาจารก็คือลักษณะที่ล่วงเกินวัตถุที่คนอื่นที่ต้องห้ามทางกายทวารที่ประสงค์ต่ออสัตธรรมเรียกว่าการเมสุมิฉาจาร์ พูดถึงผู้หญิงเนี่ยนะเป็นวัตถุแห่งการเมอของอผู้ชายเนี่ยผิดผู้หญิง20ประเภทเป็นการเมีนนผู้ชายเนี่ยไปล่วงเกินผู้หญิง20ประเภทเมื่อไหร่เป็นการเมสุมิชชาจารัรยี่สประเภทคืออะไรบ้างคือหญิงที่มารดารักษาหญิงที่บิดารักษาหญิงที่ทั้งมารดาและบิดารักษาหญิงผู้หญิงที่พี่ชายน้องชายรักษาผู้หญิงที่ยังมีญารักษาอยู่หญิงที่มีโคตรกูรักษา หญิงที่มีธรรมะรักษาหญิงที่มีการอารักขาหญิงที่มีอาจยารอบด้านเรียกว่าอยู่ในกฎมณฑีบานเนี่ยนะกับหญิงอีย20ประเภทคือภรยาที่ซื้อมามาด้วยทรัพภรยาที่เขาไปถ่ายตัวมาหรือภรยาที่อยู่ด้วยกันเพราะความพอใจหมายว่าไอ้กลม่ม20หลังเนี่ยหมายว่ามีสามีเป็นตัวตนอยู่แล้วเนี่ยนะมีอยู่เพราะโภคะอยู่กันเพราะเครื่องนุ่งหม่ม หญิงที่ผู้ปกครองเต็มใจยกให้หญิงที่ผู้ชายยกเซิร์ตนะนะเสิร์ตลงจากศรีรษะามาว่าไปปลงภาระไปช่วยรับภาระให้เขาแล้วก็เอามาเป็นคู่หรือภรยาเป็นภรยาด้วยเป็นทาสด้วยทั้งเป็นภรยาด้วยเป็นลูกจ้างด้วยหญิงที่เป็นเฉลยหรือว่าหญิงที่อยู่ร่วมกันแค่คู่หนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชายใดไปล่วงเกินหญิง20ประเภทนี้ถือว่าเป็นการเมอนะเป็นการเมแปลง่ายๆว่า ถ้าจะผู้ชายไม่ให้เป็นการเม์ทำยังไงเข้าตามตรอกออกตามประตูมีเท่านั้นจริงๆไอ้ที่ที่โอโหร้อยเลพย่พันเหลี่ยมทั้งหลายแหละเนี่ยการเม่สักาเ์ซ็9ตโดยมากการเม์เกือบหมดเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่ถูกระเบียบนะหมายความว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ลักษณะตามศีลธรรมเนี่ยโดยมากผิดการเม่ส่วนชายอื่นนอกจากสามีของตนหญิง12ประเภทเนี่ยผู้หญิงนะ่มีสิทธิผิดการเมได้แค่12ประเภท หญิงสิบสองประเภทที่ผิดการเมคือหญิงพวกไหนคือหญิงที่เนี่ยหญิงที่มีสามีอยู่แล้วเช่นผู้หญิงที่ถูกเขาซื้อมาด้วยทรัพย์ทุยอยู่เพราะความพอใจหรือว่าอยู่ด้วยการเพราะโภคาอยู่ด้วยกัรเพราะมีเครื่องนุ่งหม่มมีผู้ปกครองเต็มใจยกให้ผู้ชายที่ไปยกเสื้ลงจากศรีรษะเป็นตัวเองมีสามีด้วยเป็นทาสเป็นทาสของเขาด้วยเป็นมีสามีแล้วด้วย เป็นทั้งภรยาเป็นทั้งลูกจ้างหรือเป็นเฉลยหรือว่าอยู่ด้วยกันแม้แต่ครู่หนึ่งไปล่วงกับชายอื่นเมื่อไหร่ก็ถือว่าผิดกาเม่เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแบบตัวเองเนี่ยยังอยู่กับพ่อกับแม่มีผู้ดูแลรักษาอยู่เป็นต้นไปผิดกับชายอื่นไ อ, อย่างนี้ไม่เรียกว่าผิดกาเมีแต่ถ้าตัวเองเนี่ยเป็นหญิงสิบสอประเภทที่มีผู้ปกมีสามีอยู่แล้วนี่เรียกว่าผิดกามีนี่ในการล่วงกาเม่เนี่ยน ะ, อ, ะอมความถึงว่า เต็มใจทั้งสองฝ่ายหรือว่าไม่เต็มใจก็ตามแต่เถ้ามีการล่วงการเมื่อไหร่มีโทษโทษก็อยู่ที่ามีศีลแค่ไหนถ้ามีศีลมากก็มีโทษมากถ้ามีศีล น, น้อยก็มีโทษน้อยถ้าหากว่าอย่างที่เรียกว่าลักษณะคมคืนกระทาชั่มเราพวกนี้ก็มีโทษมากหรือถ้าไปทากับคนมีศีลด้วยก็ยิ่งมีโทษมากนนะอย่างเช่น นั่นถ้ามานบไปคมขืนพระนางอุบลวันนาเถรีนั้นก็มีโทษมากแผ่นดินสูบเลยภายในแพทเดียวเนี่ยนะหรือโทษอีกอย่างหนึ่งของกาเมสุมิจฉาจาร์ก็คือเป็นคนที่มีศัตรูมากเนไหมนะเป็นคนที่เกิดมาปั้ดมีศัตรูทันทีเลยเรียกว่าเป็นคนที่คนรังเกียจมีศัตรูไปที่ไหนคนก็จ้องทําลายอยู่ตลอดเวลาพวกนี้ก็โทษของกาเมและก็เป็นที่ชิงชังของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่รังเกียตของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเห็น แกลว่าแค่ได้ยินชื่อก็เอียนแล้วว่างั้นเธอรังเกียจแล้วโดยที่ไม่มีเหตุผลนะบางทีไม่มีเหตุผลแล้วก็ตัวเองไม่ค่อยมีเครื่องนุ่งห่มปกปิดเป็นคนที่แห้งแรงเครื่องนุ่งห่มมากแห้งแรงเครื่องนุ่งห่มกันดานข้าวของเครื่องใช้แล้วก็หลับไม่ไมสบายเนี่ยนะเป็นคนที่มีความเดือดร้อนในเรื่องการหลับการนอนมากนอนก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านตลอดเวลาเนี่ยนะ เตือนขึ้นมาก็ไม่สบายแหละเครียดแล้วก็ไปอบายเนี่ยนะไม่พ้นภัยจากอบายเลยถ้าเกิดออกมาถ้าเป็นสมมุติว่านี่ก็สามารถที่จะเป็นกระเทยแล้วก็เป็นคนมัโกรธมีปกติทําไม่จริงเป็นคนอ่าเป็นคนที่เรียกว่าขี้อายเป็นต้นเนนะเป็นคนที่ไม่มีใครต้อนรับเชื่อเชิญเลยเนี่ยนะเคยเห็นไหมถ้าถูกต้อนถูกไล่หนีอย่างกะอะไรสักอย่างนี่นะ ถูกไล่นี้อย่างกับสุนัขเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่รังเกียจไปอยู่ที่ไหนก็ถูกเขาไล่นี้เขารังเกียจอะนะเพราะว่าไอ้ตอนทําเหตุใครจะชอบบ้งางอ๋อสมมติถ้าคนในครอบครัวของเราถูกเขาทําการเมสุมิช า, าจานเราดีใจไหมไม่ดีใจก็เรว่ารีบโอ้ยก็เรียกว่าเทบจะถีบออกจากบ้านได้ก็ถีบไม่เรียกว่าเชิญนั่นเนี่ยนะไล่ได้ก็ไล่เท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วก็เป็นคนที่มีอินทรีย์ไม่บริบูรณ์เนี่ยนะเป็นคนที่เศร้ามอง แล้วก็เป็นคนขี้ระแวงเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วก็เป็นคนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอุย้ยมันเหนื่อยมากเหนื่อยแทบตายเลยกว่าจะได้อะไรสักอย่างคนที่อยู่อย่างเป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วก็ไปที่ไหนมีแต่ภัยอันตรายมีของรักของพอใจก็พลาดพราดชีวิตนี้รู้จักแต่คําว่าพราดมาเงั้นอันนี้ก็คือโทษของการผิดตามเมสุมิทช aja าานั้นใครที่ สรุปรวมๆ ว, ว่าถ้าผิดการเมสุมิจชาจาร์ก็เท่าให้ตัวเองแช่งให้ตัวเองเดือดร้อนต่อไปในอนาคตเป็นที่ชิงชังเป็นที่รังเกียจของประชุมชนและชุมนุมชนภายในตัวก็เดือดร้อนอยู่แล้วการเมสุมิจชาจารนั้นมีองค์สี่คือบุคคลต้องห้ามเช่นน่ะผู้ชายเนี่ยหญิง20ประเภทต้องห้ามนะถ้าตัวเองเป็นหญิงถ้าเป็นอยู่ในกลุ่ม12ประเภทตัวเองก็ห้ามสําหรับชายอื่นเว้นแต่สามีอันนรู้แล้วว่าบุคคลที่ต้องห้าม จิตคิดจะเสพในบุคคลผู้ต้องห้ามนั้นทําการประกอบการเสพแล้วก็ยังอวัยวะเพศให้จดกันเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าการเมสูมิจฉาจามก็ถือว่าครบองค์ครบองค์ก็มีโทษดังที่กล่าวไปเนี่ยนะเปิดประตูอบายให้ตัวเองเรียบร้อยเนี่ยนะส่วนต่อไปมุสาวาดมมสาวาดนั้นก็คือการย่ประโยคหรือวจีประโยคที่หัการายประโยชน์ของผู้อื่น ของผู้มุ่งจะพูดให้ผิดชื่อว่ามูสาพูดเพื่อทําลายประโยชน์เขาอ่ะนะเจตนาของผู้พูดให้ผิดจากความเป็นจริงต่อผู้อื่นด้วยประสงค์จะให้เข้าใจผิดคําว่ามูสาเนี่ยอาจจะทางกายหรือทางวาจีประโยคเป็นสมุดฐานก็เชื่อว่ามูสาวาดเห็นไหมบอกไม้บอกมือไม่ทําเป็นไม่เห็นมืนมูสาวาดเหมือนกันนะเห็นไหมบอกบอกไม้บอกมือเราไม่เห็นออกอย่างเงี้ย มันมูสาว่าสามารถมูสาวาทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้เห็นไหมสันหัวแบบสันหัวแบบบอกไม่เห็นก็เป็นมูสาวาาเหมือนกันมันมุสาว่านั้นเรื่องไม่จริงไม่แท้ก็คือเรื่องเ ท, ท็จการทําให้ผู้อื่นประสงค์เข้าใจแบบเ ท, ท็จเรียกว่ามูสาวาาอย่างเช่นไม่เห็นว่าเห็นไม่ได้ยินว่าได้ยินไม่ทราบว่าทราบไม่รู้ว่ารู้หรือว่าเห็นว่าไม่เห็นได้ยินว่าไม่ได้ยินทราบว่าไม่ทราบ ไม่รู้ก็ว่ารู้เป็นต้นเนี่ยพวกนี้ก็มุสาวาทฉนั้นเจตนาของผู้ประสงค์ให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องที่ไม่จริงนั่นแหละว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดจากวิญญัตไม่ว่าจะเป็นกายาวิญญัตรหรือวจีวิญญัตก็ชื่อว่ามุสาวาทพูดเท็จอ่าและโทษของการมุสาวาทอยู่ที่เรื่องที่เราพูดเท็จเนี่ยนะว่าเรื่องที่เราพูดเท็จออกไปเนี่ยหักกรานประโยชน์มาก หมายความว่าถ้าพูดเท็จทีหนึ่งและทําลายประโยชน์มากก็มีโทษมากถ้าทําลายประโยชน์น้อยมีโทษน้อยอยู่ที่ประโยชน์ที่เราพูดแล้วทําลายถ้าเราพูดแล้วเขาพูดเท็จเขาเสียหายมากบาปมากพูดแล้วเขาเสียหายน้อยบาปน้อยก็อยู่ที่เรื่องที่เราพูดถ้าอย่างคารวาททั้งหลายโกหกเช่นคนมายืมของใช่ไหมไม่ไม่อยากจะให้ เช่นลูกขอสตังเป็นต้นเนี่ยนะบอกไม่มีไม่มีพวกนี้ก็บาปน้อยนะบาปเหมือนกันแต่ว่าบาปน้อยถ้าเป็นของพระพิสูจนเนี่ยนะพูดแบบพูดเล่นๆน่ะเช่นว่าวันนี้น้ํามันในบ้านหินจะไหลไปเป็นแม่น้ําด้วยนะประสงค์จะให้หัวเราะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้เนยใสหรือได้น้ํามันน้อยก็บอกว่าอย่างเช่นพระพิสูจรูปหนึ่งไปเดินไปบินธบาติน้ํามันตอนเย็นนะอยากได้น้ํามันเพราะต้องการจะใช้น้ํามันสมัยก่อนเนี่ยอยากได้น้ามันก็อุ้มบาตรเข้าหมู่บ้านละ ก็ถามว่าท่านได้น้ํามันมาเยอะไหมโอ๊ยเยอะแยะเลยน้ำมันท่วมบ้านหมดแล้วที่จริงได้ตัวเองมาได้นิดเดียวเนี่ยนะคําคพูดแบบเนี้มีบาปเหมือนกันแต่ว่าบาปน้อยบาปไม่มากพูดไม่จริงแบบประสงค์จะให้หัวเราะเล่นคําเล่นอ่ะนะเรื่องไม่จริงหรอกพวกนี้ก็มีโทษแต่ว่าโทษน้อยถ้าหากว่าผู้อื่นเข้าใจเนื้อความสมทุท่าเรื่องที่เราไม่เห็นว่าเห็นไม่ทราบว่าทราบถ้าอย่างนี้โทษเยอะเลยเนี่ยนะ พระพิสูจนเนี่ยถ้าไปพูดบอกว่าเห็นแล้วบอกว่าไม่เห็นอ่ะเนี่ยเป็นต้นเนี่ยพูดให้มีโทษถามว่าโทษของมูสาวาตอีกในหนึ่งเลยนะแต่ละศีลแต่ละข้อที่กล่าวไปแล้วนี่ก็ตกนรกได้หมดนะแต่ว่าพูดถึงเศษเศษอย่างเบาๆ เ, เลยเนี่ยก็ทําให้อินทรีย์ไม่ผ่องใสจริงๆนะคนนี่มูสาวาตนี่ตัวเองจะมีความสุขใช่ไหมจะต้องคอยอะไรนะวันหลังก็ต้องคอยตามหลอกไอ้เรื่องนั้นอีกอนะเครียดไหม เครียดหมือนนะไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกเช่นไปตามอะไรนะหลอกคนอื่นเข้าไว้ใช่ไหมหลอกภรรยาแล้วก็ต้องมาคอยพูดเอาไว้ว่าจะหลอกวันไหนให้มันเข้ากันได้ยังไงให้มันอะไรยังไงวางแผนซับซ้อนมากที่จะมูสาวาดนั้นก็เลยมัวแต่คิดเรื่องนั้นก็เลยเครียดเลยแล้วก็ต่อไปบอกว่าคําพูดของผู้ที่พูดมูสาเนี่ยคําพูดชาติต่อตอไปเนี่ยคำพูดที่ไม่สละสลวยเป็นคําพูดที่หยาบกระด้างแล้วก็ปัญหาโรคฝันด้วยเพราะงั้น ฟันไม่เรียบฟันไม่ขาวฟันสกรปรกเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีปัญหาในเรื่องฟันมากแล้วก็อ้วนเกินไปเนี่ยนะอ้วนเกินไปก็ถือว่าเป็นผลของมุสาวาตนะเพราะอะไรเพราะบางทีมุสาวาตรวมไปทั้งสมบดสาบานอะไรด้วยใช่ไหมสะบดสาบานต่างๆเอาไว้ไว้เยอะแยะไปหมดเลยพวกนี้ก็ให้อ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปแล้วก็เป็นคนที่มีสัมผัสเป็นทุกข์หมายว่าแปลว่าเนื้อตัวหยาบมากเรียกว่าตัวหยาบ ก็มีกลิ่นปากที่ไม่ดีลกลิ่นปากเนี่ยนั่งอยู่ไกลๆนี่ก็บางคนนี่กลิ่นปากเหมือนศพจริงๆเลยนะนั่งอยู่ในห้องห้องเดียวกันเนี่ยเหม็นเหม็นแบบเรียกว่าปลาปากเหม็นอย่างที่เราเคยได้ยินอนะเหม็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ผู้ที่ไม่มีใครต้องการจะฟังเขาเลยบอกอะไรไม่มีใครเชื่อไม่มีใครสนใจเลยพูดอะไรก็ไม่มีใครยอมรับเลยเนี่ยนะเป็นที่โอ้ยคำพูดของแบบ สำนวนเขาบอกว่าพูดอะไรเหมือนกับปล่อยเสียงอะไรออกมาสักเสียงหนึ่งแค่นั้นเราแววและหายเลยไม่มีประโยชน์เลยนั่นคำพูดที่ไม่มีใครอยากสนใจอยากจะฟังเขเรียกว่าออกสิทธิ์ออกเสียงก็ออกไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคนอื่นเขาราคาญด้วยซ้ําไปเนี่ยน ะ, ะเป็นคนที่มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือพูดแล้วตอนหลังก็ไม่มีใครเชื่อถือปัญหาเรื่องโรคลิ้นลิ้นเช่นเป็นลิ้นใหญ่เกินไปติดอ่างลิ้นสั้นเกินไปยาวเกินไปคือมีปัญหาในเรื่องลิ้นด้วย มีปัญหาทางฟันมีปัญหาทางลิ้นแล้วก็มีปัญหาทางช่องปากนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจแบบท้อแท้นะหดหูจิตใจท้อแท้ประจําแล้วก็เป็นคนฟุ้งซ่านโดยปกติอันนี้ก็คือเสษเศษที่เกิดจากมุสาวาตนั้นถ้าใครมูสาวากระเท่ากับสาบแช่งให้ตัวเองได้รับผลดังที่กล่าวไปเนี่ยนะถ้ามุสาวาและทําใจได้ก็รับไป นี่ในสายกายธวานเนี่ยนะรวมทั้งดื่มสุราและเมรัยด้วยนะสุรามีไรเนี่ยถ้าดื่มแล้วมีโทษไหมแบบมีมีโทษยังไงโทษของการดื่มสุรานะเลยมาสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องสุราหน่อยว่าการดื่มสุราเนี่ยนะโทษของเขาก็คือทําให้เป็นคนที่มีปกติประมาทในกิจและกรณียกิจขาดความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงไม่รับผิดชอบ แล้วก็ไม่รอบรู้อดีตอนาคตปัจจุบันอะไรไม่รอบรู้สักอย่างไม่มีความรอบคอบโดยประการทั้งปวงเป็นคนที่ทําอะไรสุรุย่ยสุรายรุ่มรม่ำเนี่ยนะแล้วก็เป็นคนที่เคลวเป็นคนที่โง่ไม่มีสติเลยหลงหล ง, ล, งลืมลืมเบลอเละเละเถอะไรเลอะเลือนง่ายเนี่ยนะไม่มีปฏิพาณไหวเพียบอะไรเลยทื่อไปอย่างนั้นแหละนั่งซึมทื่อ ไม่มีปฏิภาณอะไรเมื่อมีกิจการงานก็เอเออเบลออย่างนั้นนะเป็นโรคคล้ายๆโรคอะไรเออไปเลยนะละเมอเออลอยไปเลยแล้วเป็นคนขี้เกียรเนี่ยนะโดยนิสัยเนี่ยนะโดยนิสยัยขี้เกียรติเป็นแล้วเป็นคนโง่เป็นคนบ้าใบ้นะครบ้าใบ้เมื่อไหร่ก็เป็นผลของแหนดื่มสุราแล้วก็เป็นคนที่ขี้กลัวเนี่ยนะขี้กลัวขี้สะดุ้งอ่างั้นเถอะแล้วก็มีนิสัยชอบแข่งดี จะแค่ไหนว่าอะไรเนี่ยดูหมิ่นคนอื่นง่ายนะแล้วก็มีใจริษยามีน้ำใจมักริษยาคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดบได้ดีหน่อยหนึ่งเนี่ยทำใจไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นคนที่ตนี่ที่เหนียวก็สุดยอดเลยนะแล้วก็มีปกติพูดไม่เคยจริงเลยเนี่ยนะพูดไม่เป็นคำสัตย์คำจริงอะไรพูดไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ดื่มสุราเนี่ยนะมักจะใช้คำพูดที่เป็นวจีทูจริตพัน ชาติต่อๆไปเนี่ยมักจะซอเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาแตกแยกกันคําพูดก็หยาบคายพูดมาแต่ละคําไม่มีประโยชน์เลยนิ่งๆยังจะได้ดีมั่งวะงั้นไงพูดแต่ละอย่างไม่เกิดประโยชน์มีแต่คําเพ้อเจ้อแล้วคนที่ดื่มสุราบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นคนอักตันยูวะงั้นไงรวมทั้งติดยาเสพติดด้วยนะคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยกลายเป็นคนอักตัญยูไปฉั้นเวลาเมาเนี่ยนะรู้อุปการะคุณของผู้มีคุณไหมไม่มีเนี่ยนะบางคนเนี่ยเมาแล้วด่านายเนาะดูเลยนะ ดา่านายดา่าพ่อดา่าแม่ดา่าผู้มีพระคุณดา่าได้หมดนะนะสังเมาแล้วก็โอ้โหเดือดร้อนนะแล้วก็โทษของการดื่มสุราหนึ่งก็คือเป็นคนที่ระลึกถึงผู้มีคุณไม่ได้เลยไม่คิดจะตอบแทนถ้าคุณของผู้ใดทางนั้นไม่สนใจว่าใครจะมีคุณแล้วก็เป็นคนที่ไ ร, ร, นะ ร, ร้โคะเนี่ยนะไร้ซับนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีศีลเป็นคนที่มีแต่ความคดเนี่ยนะไม่มีความซื่อตรงอะไรเลยแล้วก็เป็นคนขี้โกรธ เนี่ยนะขี้โกรธไม่ละอายต่อชั่วเกรงกลัวต่อบาปเลยก็ดูเนี่ยตอนเมาเนี่ยนะัละอายต่อความชั่วไหมบางทีสำนวนก็บอกว่าแม้แต่ลูกสะภ้ยายนะสะลูกสะพ้ยยังไม่เกรงใจพ่อผัวเลยหรือไม่พ่อผัวบางทีก็ไม่คิดเลยวันนี้ลูกสะภ้ยเราก็พูดถ้อยคำที่ไม่มีประโยชน์เป็นต้นมันขาดทิริโอตตปะไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอ ก, ก น, นะแล้วก็เป็นคนที่มีความเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฐิได้ง่าย เข้าใจอะไรไม่ค่อยตรงตัอความเป็นจริงใจนี่นิดเดียวเนี่ยนะใจนี่น้อยเบอกว่าคนที่เมาเนี่ยบางทีเหมือนใจใหญ่นะแต่จริงอ่ะคนใจน้อยมากๆเลยคนที่เมานี่เป็นคนใจน้อยมากยิ่งเวลาเมานี่เห็นชัดใครไปพูดอะไรขัดใจหน่อยได้ที่ไหนอนะ่ะพร้อมที่จะมีเรื่องพร้อมที่จะทะเลาะเบาแวงได้หมดนะไม่เชื่อถามโงเรื่องดูเหอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ฉลาดอะไรเลยเยนี่ยนะและไม่รู้นะว่าอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเาบอกว่าคน สมมติว่าตอนเมาเนี่ยอุจจาระยังทานได้เลยไม่ต้องพูดอย่างอื่นมันเวลากรรมให้ผลเนี่ยนะคนเพี้ยนบางคนคนบ้าบางคนเนี่ยกินทั้งอุจจาระปัสสาวะได้เกลือนกลัว้วบอกว่าคนบ้ารักษายากก็เหมือนกับคนเมาแล้วแก้ยากฉะนั้นเนี่ยนะมันอันนี้ก็คือโทษของการดื่มสุราไม่ได้ดื่มก็ดีไปนะมีบุญมากขอมุทิตาด้วยกับผู้ที่ไม่ดืม่มขอแสดงความเห็นใจกับผู้ที่ดื่มด้วยนะ สแสวงหาปัญญาไว้เยอะๆเถอะไม่งั้นนี่เดือดร้อนแน่ดูแล้วมันแหมอภัพทางสติปัญญาเหลือเกินนะสายสุราเนี่ยนะอภัพทางสติปัญญาคนเคยมีความจำแม่นเนี่ยนะเมาไปหนักๆเข้าจำอะไรไม่ได้เลยบเบลอหมดอะเครื่องมันรวนหมดะนะมีปัญหามาก